แล้วก็จะรูอย่างเราแต่ถาคตนี้ <c oughs> ก็จะเป็นจย่าเราแต่ถักตรนี้ <c oughs> ก็จะไปถึงที่สุดจย่าเราแต่ถักคตรนี้ทันวันแต่เราไม่ยอมทํานั่นเองคือไม่ยอมทําตามมันก็ไม่รู้ตามที่แบบนี้เมื่อทําตามท่านก็ไปตามทานได้เท่านั้นเองบัด น, นี้จะรู้ยังไงเดินไปก็ท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นใจมันคิดตั้งแต่ลูเลยเราก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตัดแรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเนี่เราทํายังไงทําทางใจมันทำมัไม่ได้แล้วก็มาเอาความเคลื่อนไหวตัวนี้ทํา